พระประจักษ์กำลังคอยรับฟังอยู่แล้วพระคุณเจ้าวิธีหนึ่งโดยการศึกษาพิสูจน์สอบสวนสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นงูนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยการเอาไม้เขี่ยดูบ้างเอาไม้สอดขึ้นมาบ้างถ้าเห็นไม่กระดุกกระดิกเราจะเกิดความรู้ใหม่ว่างูตายธรรมดางูตายแล้วย่อมกัดใครๆไม่ได้เมื่อรู้เช่นนี้เราก็จับมาพิสูจน์ด้วยมือ ลูกคลำสัมผัสดูได้ตลอดในที่สุดความรู้สึกอันกระจ่าง ก, ก็ชัดขึ้นในใจว่านั่น<ม>คือเชือกพรารู้ว่าเป็นเชือกเท่านั้นความหวาดกลัวความสงสัยลังเลก็จะหายไปอย่างเปรดทิ้งนี่คือวิธีหนึ่งและ ว, วิธีที่สองล่ะท่านผูเ้เจริญวิธีที่สองโดยเอาผงออกจากตาซะก่อนเมื่อผงออกจากตาแล้วความขัดเคืองในตาก็จะหายไป ดวงตาก็จะแจ่มใสมองเห็นอะไรได้ชัดเจนตามความเป็นจริงวิธีนี้ดีกว่าวิธีแรกดียังไงเหรอพระคุณเจ้าที่ว่าดีนั้นเพราะเป็นการแก้ที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงเมื่อตาแจ่มใสแล้วจะเห็นอะไรก็ะจางชัดไปหมดไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดอีกวิธีแรกเป็นการแก้ปลายเหตุอาจจะเข้าใจผิดในสิ่งอื่นได้อีกต้องพิสูจน์สอบสวนอีก ไม่มีวันสิ้นสุดลงได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังดีกว่าไม่ทำเสลยดูก่อนอุบาศก คนส่วนมากที่หลงไหลอะไรต่างๆอยู่เวลานี้เพราะดวงตาคือจิตใจของเขาเต็มบได้ผงทําให้ใจคุณมัวมองอะไรเห็นไม่ถนัดจึงเข้าใจผิดไปเมื่อเข้าใจผิดก็ทําผิดอีกพูดผิดไปด้วยผลที่เกิดก็คือทุกข์เมื่อเข้าใจผิดและยังไม่รู้ตัวว่าผิดไม่คิดจะพิสูจน์ความจริงแล้วก็เดินตามทางผิดเรื่อยไปผงที่ทําให้จิตใจคุณมัวคืออะไร ข้าพเจ้าไม่ทาบเอาล่ะท่านควรจะทราบลักษณะของจิตใจเสียก่อนจิตใจของคนเราในเวลาปกติจะมีลักษณะแจ่มใสเยือกเย็นสงบจะคิดอะไรก็ทะลุโ ป, ปร่ปปรงเป็นความคิดที่ดีถ้าพูดอะไรออกมาในขณะนั้นก็เป็นคําพูดที่ดีการทํางานอะไรก็เป็นการงานที่ดีเมื่อคิดดีพูดดีทําดี ผลดีก็เกิดขึ้นจริงไหมอุบาสกเป็นความจริงทีเดียวพระกุศลซึ่งบางเวลาความอยากได้ความกระหายจะเข้ามาแทกจิตใจทำให้จิตใจกระวนกระวายคล้ายเสือหิวที่ติดอยู่ในกรงบางเวลาความขุ่นเคืองโกรธแค้นจะเข้ามาแทกจิตใจทำให้เจ็บปวดประดุดถูกแทงด้วยเหล็กแหลมบางเวลาความโศกเศร้าจะครองใจ ทำให้จิตใจหดหูเงื้องหงอยบางเวลาความกําหนัดยินดีจะเข้ามาครองใจทําให้จิตใจฮึกเขิมแต่มืดมัวดุดช้างตกมันที่ตาบอดความอยากความโกรธความริษยาความกําหนัดความโศกสิ่งเหล่านี้คือผงของจิตใจทําให้จิตใจขุ่นมัวมองอะไรไม่เห็นถนัด ดุดคนผงเข้าตาแล้วจะมีวิธีแก้อย่างไรละท่านผู้เจริญวิธีแก้ต้องมีสติตื่นตัวอย่าเผลอใช้สติเป็นยามคอยเฝ้าดูจิตใจของตนตรวจดูจิตใจเสมอว่าผ่องใสเป็นปกติหรือขุนมัวถ้าขุนมัวเพราะมีอะไรมาแทรกความโกรธหรือความเกลียดความโลภหรือความเบื่อหน่ายความริษยาหรือความรัก เมื่อรู้ว่าอารมณ์ชนิดใดชนิดหนึ่งกำลังครองอยู่เราจะแก้ได้สบายมากโปรดที่แนะให้กระจ่างกว่านี้สักนิดเถอพระคุณเจ้าอย่างเช่นรู้ว่าความโกรธเข้าครองก็ตั้งสติไว้ให้มัน่นอย่าเผลอติดตามความเคลื่อนไหวของมันทุกระยะบอกความโกรธนั้นมันขึ้นมาถึงระดับไหนแล้วโกรธน้อยๆเพียงงุดงิดงุนง่านหรือว่าเดือดพล่านเต็มที่ ก็ให้คมใจไว้อย่าได้คิดเพราะใจที่เต็มไปด้วยความโกรธย่อมคิดชั่วข่มปากไว้อย่าให้ปากพูดถ้าปากพูดในขณะที่กําลังโกรธคําพูดจะเป็นคําพูดชั่วคมแข้งขามือเท้าไว้อย่าให้ทํางานถ้าทํางานเป็นงานชั่วสิ่งที่ตามมาคือความทุกข์ความเสียหายถ้ามีสติรู้ตัวอยู่อย่างนี้ ในไม่ช้าความกโกรธก็จะระงับลงใจกลับผ่องใสาตามเดิมต่อจากนั้นจะคิดจะทำอะไรก็ดีพูดดีทำดีผลเสียหายจะไม่มีเลยดูก่อนอุบาศกอารมณ์ชนิดอื่นๆเช่นความโลภ ความริษยาก็อาจจะงับได้ไม่ยากขังับด้วยวิธีใดพระคุณเจ้าระงับได้โดยวิธีเดียวกับความโกรธนั่นละคนส่วนมากขาดสติยับยั้งใจเมื่อความโกรธเกิดขึ้นมาก็ปล่อยให้มันลุกลามต่อไปตามสบายตั้งแต่ใจจนถึงกายใจที่ถูกความโกรธครอบงำจะเดือดพล่านและมืดมิดไม่เห็นเหตุผลใดๆทั้งสิ้นกลายเป็นใจยากใจมาน ใจเช่นนี้จะสั่งให้ปากด่าทอสั่งให้กายทุบต่อยและฆ่าอย่างทารุณบางทีฆ่าได้แม้กระทั่งบิดามารดาผู้บังเกิดกล้าของตนบางครั้งก็ทำลายสิ่งของอันมีค่าที่เคยหวงแหนเมื่อความโกรธสงบลงเหตุผลกลับคืนมาแล้วนั่นแหละเขาจะเสียอกเสียใจอย่างใหญ่หลวงถึงเสียใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะสายเสแล้ว นี่คือโทษของการขาดสติยับยั้งใจซึ่งจะก่อทุกโทษให้แก่กันไม่น้อยกว่าความโกรธเลยดูก่อนดูบาศเมื่อท่านทราบเช่นนี้แล้วจงมันตรวจตราดูจิตใจเสมอมีสติยับยั้งใจในเมื่อมีอารมณ์ต่างๆแทรกเข้าพยายามรักษาจิตใจให้อยู่ในสภาพอันผ่องใสแล้วท่านจะสบายใจตลอดกาลเวลานี้ข้าพระเจ้ามีจิตใจผ่องใส หายโศกเศร้าแล้วพระคุณเจ้าดีแล้วเอาละพาอาตมาไปที่บ้านท่านเถอะบ้านข้าพเจ้าถูกเพลิงเาผาพลานหมดแล้วนั่นแหละอาตมาต้องการไปเห็นถ้าเช่นนั้นเชิญพระคุณเจ้า เห็นเมื่อมาถึงหมู่บ้านบ้านข้างายบ้านกลายเป็นเท่าฐานลูกเมยข้างในบ้านนั่งร้องไห้มองดูกองเท้าถ่านอยู่ใต้ร่มไม้ชาวบ้านมาดูเหตุการณ์กันมากมายทีเดียวอแค่ในบ้าน่ะข้าพเจ้าเสียใจเหลือเกินในเคราะกรรมของท่านขอบใจข้าพเจ้าก็เสียใจจะทำงไงได้น่ะมันเป็นเคราะกรรมจริงๆเอในบ้านไป่ต้วิตกเอาละพวกข้าพเจ้ายินดีจะช่วยเหลือโอ้ขอบใจในความหวังดีของพวกท่านแต่ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องหรอก และเราเองก็ไม่เสียอกเสียใจอะไรมากนักรออ้าวในบ้านไม่เสียใจเหรอเไม่เสียใจเลยเขาไม่ของธรรมดาบ้านนี้ไม่ใช่ของเราอ้าพรเงินทองทรัพย์สมบัติทุกชิ้นที่ถูกเผาไหมไปกับบ้านนี้ก็ไม่ใช่ของเราเรายืมโลกเขาไว้ใช้ชั่วคราวในระหว่างที่เรามาพักอาศัยอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเจ้าของเดิมก็คือแผ่นดินเขาต้องการมัของเขาคืนเขาจึงใช้ไฟมาถูกเรา เราก็คืนเนี่ยเขาไปแล้วจะไปเสียอกเสียใจทําไมชีวิตยังอยู่ก็หาเอาใหม่เท่านั้นเองข้าใช้บ้านข้าพูดหน้าฝังใกไม่ใช่คําพูดของเราหรอกเป็นคําพูดของพระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายองค์นี้ไม่ใช่คําพูดของอาตมาแต่เป็นคําพูดของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นพูดตรัสรู้ความจริงธรรมดาของจริงย่อมน่าฟังเสมอ ลามเดือนที่หมู่บ้านโกกีลาคามได้พบกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายถึงแม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆประกอบวยครอบครัวไม่เกินร้อยแต่เต็มไปด้วยคนเจ้าความคิดมีชายแก่อายุประมาณหกสิบปีคนหนึ่งชื่อกุมภกัตในวัยหนุ่มเคยไปอยู่ที่กรุงราชครึนกนครแห่งศาสดาจารย์เจ้าลัทธิหลายปีภายหลังได้มาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่หมู่บ้านนี้ กุมภ ก, กะได้รับความนับถืออย่างสูงจากชาวบ้านเพราะความปราดเปร่ณ์ของเขากุมภ ก, กะเป็นผู้นำทางจิตใจของชาวบ้านเขาเป็นคู่สนทนาที่น่ากลัวชอบมาหาแทบทุกเวลาบ่ายพร้อมด้วยหลานชายเล็กๆคนหนึ่งและสนทนากันในปัญหาทางธรรมะกระทั่งเย็นถึงได้ลากลับบ้านตอนแรกที่มาถึงกุมภะก็แสดงอาการดูถูกเยียดหยาม ตามธรรมดาคนแก่ที่ปลึอกกระเห็นคนหนุ่มคราวหลานย่อมคิดตีราคาต่ําไว้ก่อนแต่หลังจากได้สนทนากันต่อมาราวครึ่งเดือนเขาก็เกิดความรักและเคารพปล่าไม่ได้ใช้เล่ห์เหลี่ยมกุศโลบายอะไรเพียงแต่พูดความจริงตามแนวพุทธธรรมกับเขาเท่านั้นความจริงความถูกต้องมีอยู่ แต่คนที่ไม่เข้าใจความจริงจึงเถียงกันแต่นี่ไม่เถียงกุมภะไม่ส่งเสริมกุมภะเพราะการเถียงและคัดค้านเกิดจากการถือทิฏฐิมรณะและก็ไม่ส่งเสริมเพราะการส่งเสริมเกิดจากความหวาดกลัวเป็นแต่พูดไปตามความเป็นจริงนี่คือหลักในการสนทนาธรรมที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ ให้ข้อถามอะไรสักอย่างหนึ่งเอาสิกุมภกะท่านมีอะไรจะถามการฆ่าสัตว์เป็นบาปหรือไม่เ๊้ถามอะไรง่ายๆอย่างนี้กระลาดจริงๆาการฆ่าสัตว์ใครๆก็รู้ว่าเป็นบาปทั้งสิ้นแต่บางทีอาจจะเป็นหลุมพรางก็ได้เพราะกุมภกะเรียจนจัดนักคนทั้งหมู่บ้านไม่มีใครกล้าประคารมด้วย ว่าไงร่ะพระคุณเจ้ายังไม่ตอบคําถามกับพเจ้าเลยการฆ่าสัตว์เป็นบาปหรือไม่การฆ่าสัตว์เป็นบาปแน่สมมติว่าเราไม่ได้ฆ่าเองทั้งไม่ได้สั่งให้ใครฆ่าแต่เราทำการบางอย่างซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เขาฆ่าโดยทางอ้อมอย่างนี้บาปหรือไม่บาปเหมือนกันถ้าอย่างนั้นท่านก็ทาบาปทุกวันน่ะสิ อาตมาทำบาปยังไงก็ท่านบริโภคเนื้อสัตว์ทุกวันการบริโภคเนือ้อสัตว์เป็นบาปด้วยหรอเป็นบาปอย่างไม่มีปัญหาีเดียวบาปยังไงแต่อาตมาไม่เคยคิดระแวงเลยว่าจะเป็นบาปท่านก็ยอมรับแล้วไม่ใช่หรือว่าการฆ่าสัตว์เองก็ดีการจังให้เขาฆ่าก็ดีการสนับสนุนให้เขาฆ่าโดยวิธีอื่นก็ดีเป็นบาป การบริโภคเนื้อสัตว์นี้เป็นการช่วยส่งเสริมให้เขาฆ่าสัตว์อย่างแน่นอนอาตมาจะมองไม่เห็นเลยว่าเป็นการส่งเสริมยังไงก็ท่านไม่คิดหรอกหรือว่าเพราะการมีกินจึงมีการฆ่าเพราะการกินเนื้อเขาจึงฆ่าถ้าไม่มีคนกินก็ไม่มีคนฆ่าเพราะฉะนั้น การกินจึงเป็นการส่งเสริมการฆ่าดูก่อนอุบาสกในเรื่องนี้มีคนเกี่ยวข้องอยู่สามคนคือคนฆ่าหนึ่งคนรับซื้อหาเอาไปกินหนึ่งคนรับต่อจากนั้นเอาไปกินอีกหนึ่งขอเรียกง่ายๆว่าคนที่หนึ่งคนที่สองและคนที่สามถ้าคนที่สามเคารบเราคนที่สองและคนที่สองก็ไปรบเร้าคนที่หนึ่ง อย่างนี้ทั้งสามคนก็บาปแน่นอนเพราะส่งเสริมกันอย่างเห็นชัดแต่ถ้าคนที่สองไปส่งเสริมคนที่หนึ่งฆ่าสัตว์แล้วซื้อหาเอาเนื้อนั้นมากินเป็นส่วนตัวและครอบครัวแต่พอเห็นคนที่สามนึกสงสารจึงแบ่งเนื้อนั้นมาให้ทานบ้านคนที่สามก็รับไปบริโภคเลี้ยงชีพอย่างนี้อัตมาเห็นว่าคนที่สามไม่บาป ที่สามบริโภคไม่บาปอย่างนั้นเหรอแน่นอนท่านคงเปรียบเหมือนคนที่สามละสิถูกของท่านอาตมาและภิกษุในพุทธศาสนาทั้งหลายเปรียบได้กับคนที่สามในเวลาเช้าอาตมาอุ้มบาตรเดินไปตามเราแวกบ้านด้วยความตั้งใจว่าจะรับอาหารจากผู้ใจบุญมาบริโภคพอยังชีดไปวันวันหนึ่ง ชาวบ้านนําอาหารชนิดใดมาใส่บาตรก็รับเอาด้วยอาการสารวมไม่เคยคิดว่าจะขอให้ชาวบ้านนําอาหารชนิดนั้นๆมาใส่บาตรเมื่อได้อาหารพอสมควรแล้วก็กลับเกาะมาฉันได้สิ่งใดก็ฉันสิ่งนั้นได้อาหารเลวก็ไม่เสียใจตั้งใจบริโภคเพียงเพื่อแก้หิวพระพุทธเจ้าตรัสว่าความหิวเป็นโรคอย่างหนึง่งยาแก้หิวก็คืออาหาร เช่นเดียวกับบริโภคยาเมื่อโรคหิวหายแล้วก็หยุดทันทีท่านเข้าใจปริยภียไม่ใช่อัตมาพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ส่วนเรื่องการฆ่าสัตว์กันที่ไหนเมื่อไหร่อัตมาไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินมาก่อนทั้งไม่คิดว่าเขาจะฆ่าเพื่ออัตมาโดยเฉพาะถ้าอัตมาได้เห็นเขาฆ่าได้ยินเขาฆ่า และรู้ว่าเขาฆ่าเพื่ออาตมาโดยเฉพาะอัตมาจะไม่บริโภคไปเดนขาดทำไมถึงไม่บริโภคขืนบริโภคจะต้องผิดพระพุทธบัญญัติแน่นอนในเมื่ออาตมาปฏิบัติเช่นนี้จะถือว่าเป็นบาปได้ยังไงเอาเถอะถึงท่านจะไม่เป็นบาปเพราะไม่ได้สนับสนุนด้วยกายวาจาใจโดยตรงก็ตาท่านก็จะต้องเป็นบาปอยู่ดีน่แหละ บาปอะไรบาปในการบริโภคของอันไม่บริสุทธิ์ของไม่บริสุทธิ์ยังไงสมมติว่าชายคนหนึ่งไปปล้นข้าเจ้าทรัพย์เอาของมาให้ท่านท่านก็รู้อยู่ว่าของนั้นได้มาจากการปล้นไม่บริสุทธิ์แต่ท่านก็ยังคืนรับของไม่บริสุทธิ์นั้นยังให้จะเชื่อว่าท่านปฏิบัติชอบเหรอท่านจะผนบาปเหรอ ถ้ารู้ว่าของนั้นเขาก้นฆ่าเจ้าทรัพย์นำมาให้แล้วยังถขือนรับด้วยใจยินดีไม่พ้นบาปแน่เพราะเท่ากับส่งเสริมโจรกรรมยินดีในบาปกรรมนั้นถ้าอย่างั้นการที่ท่านพอริโภคเนื้อก็บาปเพราะอะไรเพราะเนื้อนั้นเป็นของไม่บริสุทธิ์เป็นของได้มาจากการปล้นฆ่าชีวิตร่างกายของสัตว์อื่น ไม่มีสัตว์ตัวใดยอมมอบศีรษะและร่างกายของตนให้แก่คนง่ายๆกว่าคนจะฆ่ามันได้มันต้องต่อสู้ดิ้นรนจนสุดความสามารถเมื่อทานกำลังของคนไม่ไหวจึงยอมตายด้วยวามโกรธแค้นและพยาบาทมากร้ายอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นเนื้อทุกชิ้นที่ท่านบริโภคจึงชื่อว่าได้มาด้วยการปล้น เป็นของไม่บริสุทธิ์เมื่อท่านกินของไม่บริสุทธิ์เช่นนี้จะว่าไม่เป็นบาปได้อย่างไรเหตุผลของท่านหลักแหลมน่าฟังจนต่อเหตุผลของข้าพเจ้าแล้วละสิท่านจนต่อเหตุผลของข้าพเจ้าแล้วใช่ไหมทำไมอาตมาจะต้องจนต่อถ้อยคำนี้ด้วยละ่ะ ก็ท่านไม่ตอบดูก่อนอุบาสกบาปหรือบุญอยู่ที่ใจเป็นสำคัญถ้าใจไม่ยินดีในบาปแม้จะบังคับให้ทำบาปก็ไม่เป็นบาปหรือบาปน้อยลงแต่ถ้าใจยินดีในบาปแม้จะไม่ทำเองได้ทราบว่าเขาทำบาป ก, กันแล้วยินดีตามเขาก็เป็นบาปจริงอยู่เนื้อที่อาตมาบริโภคเป็นของที่ได้มาจากการปล้น เป็นของโจรอาตมาก็รู้อยู่ว่าเขาปล้นเอามาจากสัตว์แต่อาตมาไม่เคยยินดีในการได้รับเนื้อนั้นไม่เคยยินดีร่าเริงในการบริโภคเนื้อนั้นทั้งไม่เคยพอใจต่อการที่เขาฆ่าเอาเนื้อนั้นมาได้ไม่เคยคิดชอบใจคนฆ่าตรงกันข้ามอาตมากลับรู้สึกสงสารสัตว์ตัวที่เป็นเจ้าเนื้อรู้สึ ก, กระทดใจต่อการกระทาอันพารุณของคนฆ่า แต่ต้องบริโภคด้วยความจําเป็นบริโภคด้วยความสลดใจสังเวทใจดุดมารดาที่บริโภคเนื้อบุตรของตนเองเอาละ่ะอาตมาจะเล่าดิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหรอท่านฟังแล้วก็จะรู้งั้นท่านเล่ามาเถอะในอดีตการมีสองผัวเมียอุ้มลูกน้อยเดินทางข้ามทะเลสายหลายวันต่อมา ก็ไม่มีทีท่าว่าจะพ้นจากเขตทะเลทรายสเบียงอาหารก็ขาดมือลงเหีวยะเหี้ยแล้วกินหลายวันแล้วยังไม่มีอาหารตกถึงท้อง อ้ยหิวจนจะทนไม่ไหวแล้วฉันก็หิวหิวพ่อพี่นั่นแหละ<ม>เราจะได้อาหารจากที่ไหนล้วพี่มองไม่เห็นทางเลยอะทะเลทรายเวิร์งว่างไม่มีบ้านเรือนทักหลังสัตว์แม้แต่สักตัวก็ไม่มีเราเห็นจะต้องตายอยู่ในทะเลทรายนี้นะพี่นะแน่ละไม่มีอาหารเราต้องตายเราสองคนไม่เท่าไหร่ สงสารอลูกร้องหิวจะไม่มีเสียงจะร้องทำไงดีล่ะพี่หิยยังนึกไม่ออกเหมือนกันอ๋ อ, อนึกออกแล้วนะที่เราจะมีชีวิตต่อไปได้มีพิธีไหนพีออ่ความจริงแล้วอาหารมันอยู่ใกล้เรานี่เองไหนพี่อาหารฉันไม่เห็นเลยเอา้าวก่อนนั่นไงล่ะฮะลูก เราฆ่าลูกเอาเนื้อมากินเป็นอาหารอออย่านะพี่อย่าทำอย่างนั้นนะถึงฉันจะตายฉันก็ไม่ยอมเด็ดขาดมีพยายามคัดค้านอย่างแข็งขันเพราะมารดาใจอ่อนสงสารบุตรไม่กล้าทำถึงจะตายก็ยอมแต่ความหิว ไม่สามารถทําให้สามีอดทนต่อไปได้อีกคืนวันหนึ่งเมื่อพัญญานอนหลับสนิทแล้วเขาก็ได้ฆ่าบุตรน้อยแล่เนื้อออกย่างไว้เมื่อพัญญาตื่นขึ้นมาเห็นบุตรน้อยหายไปและเห็นเนื้ออย่างมากมายก็ตกใจมองไปรอบๆตัวไม่ปรากฏร่องรอยลูกพบแต่ทะเลทรายอันเวิ้งว้างสุดสายตานางก็ทราบทันทีว่าสามีได้ฆ่าบุตรน้อยซะแล้ว นางจึงล้มลงสิ้นสติเมื่อฟื้นขึ้นมาก็ร้องไห้รำพันถึงลูกแทบจะสิ้นใจตายตอนแรกๆนางไม่ยอมแตะต้องเนื้อบุตรสามีบริโภคคนเดียวต่อมาภายหลังเมื่อมีความหิวโหวยหนักเข้าจึงยอมกินแต่ทุกครั้งที่นางหยิบเนื้อลูกขึ้นมาจะกินนางก็ร้องไห้รำพันได้วยความอะไรรักลูก กินเนื้อลูกด้วยน้ำตาทุกคราวไปจนพ้นทะเลทรายดูก่อนอุบาสกในขณะที่อาตมาบริโภคเนื้ออาตมาปลุกความรู้สึกให้เกิดขึ้นเช่นเดียวกับความรู้สึกของแม่ที่กินเนื้อลูกในทะเลทรายกินด้วยความสงสารสังเวชใจกินด้วยความจำเป็นบังคับแท้ๆ ท, ทีเดียวเมื่อเป็นเชน่นนี้ใจของอาตมาก็ไม่ยินดีในบาปแม้แต่น้อย แล้วอาตมาจะเป็นบาปได้ยังไงข้าพระเจ้าเข้าใจแล้วเอิร์ด ม, มาไม่เคยได้ฟังคำอธิบายแจมแจง้งเช่นนี้มาก่อนเลยจึงเข้าใจอย่างสนิทแน่นว่าการกินเนื้อสัตว์เป็นบาปแต่ที่จริงกินให้เป็นบาปก็ได้กินไม่บาปก็ได้มันสำคัญอยู่ที่จิตใจนี่เอง จิตใจของชาวบ้านโกกีลาคามก็หันมาเคารพนับถืออย่างจริงใจและวันนี้<ม>ก็เป็นวันต้องจากหมู่บ้านนี้ไป<ม>พวกชาวบ้านตามมาส่ง<ม>สิ้นระยะทางประมาณกึง่งโยศแทบทุกคนมีน้ําตาลองหน้าได้ความอาลัยพวกเราเราขอสรงท่านแค่นี้ละขอส่งท่านแค่ขอส่งท่านแค่ขอบใจมากที่อุตส่าห์มาส่งอาตมา อ, อ, อยากให้ทันกากไปเลยอยากให้อยู่ที่นี่จนกว่าชีวิตจะหาใหม่ไม่อาตมาก็อยากจะอยู่แต่ว่าอยู่ไม่ได้หน้าที่ของอาตมาคือการท่องเที่ยวไปในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลดุดนกน้อยที่บินไปในอากาศดุดปลาที่แหวกว่ายไปมาในมหาสมุทรอิสรภาพไนการท่องเที่ยวคือยอดปรารถนาของอาตมา ความกล้าหาญเด็ดเดียวไม่กลัวตายเป็นพาหนะที่นําอาตมาไปอ่านเป็นคนดีโดยแท้เเป็นนคีจริงความดีน่ะเป็นเกาะที่อาตมาใช้ป้องกันตัวตลอดมาเพราะความดีนี่แหละคนจริงรักอาตมาผมไม่ใช่รักอย่างเดียวใช่ยังเป็นสุขใจเมื่อท่านอยู่ใกล้อีกด้วยจริงด้วยดเมื่อท่านจะจากไปพวกเราจึอะไรรักน่ะท่านคะ ความดีอยู่ที่ไหนช่วยบอกหน่อยเธอค่ะนั่นสิความดีอยู่ที่ไหนความดีอยู่ที่ตัวเราทุกคนแล้วความช<น>ั่วล่ะคะความชั่วก็อยู่ที่ตัวเราทุกคนทุกคนมีความดีและชั่วเท่ากันแล้วทำไมคนนั้นจริงดีคนนั้นจริงชั่วล่ะคะนั่นน่ะสิเพราะคนดีเขาฉลาดเขาเก็บ<น>ความชั่วไว้ซะ <RR. S 3> แล้วเอาแต่ความดีออกมาใช้อเอาแต่ความดีออกมาอวดผู้อื่น พูดดีต่อผู้อื่นทำดีต่อผู้อื่นคนจึงรักเขางั้นคนชั่วก็เป็นคนโง่สิคะถูกแล้วคนชั่วเป็นคนโง่เก็บเอาความดีไว้เอาแต่ความชั่วร้ายออกมาใช้เอาแต่ความชั่วออกมาอวดผู้อื่นคิดชั่วต่อผู้อื่นพูดชั่วต่อผู้อื่นคนทั้งหลายจึงเกลียดชังเขาเขากลายเป็นตัวเสียดในสังคม ดูกอ่อุบาสกอุบาสิกาคนเราทุกคนอยากให้คนรักตนอยากให้คนอื่นนิยมชมชอบตนแล้วก็ทำให้เขารักตนนิยมตนด้วยวิธีต่างๆใช้อำนาจบังคับบ้างใช้ซั์ล่อบ้างใช้คาถาอาคมบังตาบ้างวิงวอนเทพเจ้าให้ช่วยดนใจเขาบ้างแต่หาได้สมบูรณ์ไหม นั่นเป็นเพราะอะไรเหรอพระคุณเจ้าเพราะนั่นเป็นการกระทำภายนอกความรักที่เกิดจากวิธีเหล่านี้เป็นความรักผิวเผินคลอนแคลนไม่มั่นคงถาวรวิธีที่ดีที่สุดก็คือความดีแล้วทำอย่างไรล่ะพระคุณเจ้ า, ค, จาคิดดีต่อเขา<อ>ทำดีต่อเขาเมื่อทำดีต่อเขาแล้วเขาจะรักเคารพนับถือเรา อย่างลึกซึ้งมั่นคงตลอดไปอาตมาใช้วิธีนี้แหละเป็นการป้องกันตัวได้รับความสวัสดีอันยาวนานอาตมาขอลาก่อนอไปกั น, นไปกะแล้ว เมื่อจากชาบ้านโกกีฬาคามแล้วก็ยังคิดถึงเขาอยู่ท่า น, นี้ก็เพราะความดีของพวกเขานั่นเองแต่ก็พยายามข่มใจให้ลืมซะเพราะความอะไรคิดถึงไม่ว่าจะคิดถึงคนคิดถึงวัตถุสิ่งของย่อมทำให้จิตใจหมดหมองสกเศร้าไม่สบายควรจะลืมซะลืมซะให้หมดสิน้นในระหว่างทาง ได้พบกับคนหลายจำพวกได้หยุดสนทนากับเขาแสดงพุทธธรรมแก่เขาจากกนกระทั่งบ่ายวันหนึ่งในต้นฤดูขิมหันขณะที่กำลังเดินอย่างเร่งรีบเพื่อให้ถึงหมู่บ้านก่อนค่ำอากาศก็ร้อนเหลือทนแสงแดดแผดจ้าประดุจปลาชิดเพิ่มจำนวนขึ้นอีกสามดวง